เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เจ็ดกันยายนพุทธศักราชส5งพเป็นวันพระวันธรรมสวัสวนิะ์วันฟังธรรมเป็นวันมงคลอย่างยิ่งอีกหนึ่งวัน เพราะพระบรมศาสดาได้ทรงตัดไว้ว่ากาเลนะธรรมสาวนางังเอตัมมังกัลมุตตังการได้ยินได้ฟังทำตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตการเป็นมงคลก็เพราะมีอนิสงส์ที่เลิศที่ประเสริฐอยู่5ประการด้วยกันคือ จะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อนสองจะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อฟังอีกก็จะเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้นไปสทํทำให้จิตใจมีความสงบผ่องใสสทํทำให้มีความเห็นที่ถูกต้อง ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิอ้ากระจัดปัญหาความสงสัยต่างๆไปได้นี่คืออนิสงส์ที่จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมซึ่งถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วจิตใจของเราจะสับสนวุ่นวายจะไม่รู้จัก ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อะไรที่เป็นโทษเราก็จะเป็นเหมือนกับคนตาบอดที่ต้องคลำทางไปเรื่อยๆแล้วก็มักจะต้องไปประสบกับสิ่งต่างๆที่ตนไม่ปรารถนาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติวันธรรมะสวรสดิ์ขึ้นมา คือวันพระวันฟังธรรมทุก7วันหรือ8วันก็จะกำหนดให้เป็นวันพระหนึ่งวันในอดีตอาศัยปฏิทินทางจันทรกติก็ใช้วันขึ้นแรง8ข้ค่ำวัน14และ15ข้าำแต่ในสมัยปัจจุบันเนื่องจากโลกได้ผ่านไปเราได้เปลี่ยนจากการใช้ ปฏิทินทางจันทรคติมาทางสุริยคติมาใช้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารดังนั้นวันหยุดของเราจึงไม่ได้ตรงกับวันธรรมะวันขึ้นแรง8ขดค่ำหรือขึ้นแรง 14-15 ข่้าค่ำเราจึงต้องมาปรับวันพักของเราให้เหมาะสม คือถ้าเราไม่สามารถมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมได้ในวันในวันแรงขึ้นแรมเราก็ปรับมาให้เป็นวันเสาร์อาทิตย์เพราะทางวัดก็ได้มีการปรับกันคือนอกจากวันพระแล้วก็จะมีวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะมีการทำกิจกรรมมีการทำบุญตัก บ, บารมีการสมาทานสิ มีการฟังเทศฟังธรรมอย่างที่เป็นอยู่วันนี้พอดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็เป็นวันพระด้วยจึงมีเป็นเหมือนกับวันพระสองวันมารวมกันผู้ที่ใช้วันอาทิตย์เป็นวันพระก็มาทําบุญในวันนี้ผู้ที่ถือวันขึ้นแรงก็มาทําบุญกันในวันนี้เช่นเดียวกันจึงปรากฏมีญาติโยม มาทำบุญกันเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นความฉลาดของญาติโยมที่ไม่หลงงมงายไปกับความเจริญทางโลกเพราะความเจริญทางโลกนี้เป็นเหมือนกับภาพหลอกภาพหลอนไม่ใช่เป็นภาพจริงความเจริญทางโลกนี้ไม่ได้เป็นความเจริญที่แท้จริงเจริญได้ชั่วระยะเวลานึง พอสังขารร่างกายตายไปแล้วความเจริญต่างๆก็หมดไปแต่ความเจริญที่แท้จริงนั้นต้องเจริญที่จิตใจเพราะจิตใจนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ตายหรือสลายไปกับความตายการสลายไปของร่างกายซึ่งเป็นเพียงธาตุสีดินน้ำลมไฟแต่ใจนี้ยัง อยู่และยังต้องไปเดินทางต่อไปในการเดินทางก็มีอยู่สองทางคือจะขึ้นก็ได้หรือจะลงก็ได้ทางขึ้นก็เป็นทางที่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านได้เดินไปกันที่เรียกว่าพุทธภูมิอรหัตภูมิ อริยภูมินี่เป็นทางของผู้เจริญของคนเจริเพราะเป็นทางที่จะนำไปสู่ความสิ้นสุขแห่งความทุกข์ทั้งหลายการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดส่วนทางอีกทางหนึ่งนั้นเป็นทางลงต่ำเป็นทางของความโลภความโกรธความหลงความหลงความเจริญในทางโลกนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นความหลง าเรายังหลงงม ง, ง, ง, งายกับการสร้างลาบยศจะรเสริญสุขแสดงว่าเรากำลังไปคนละทางกับทางที่พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านได้เดินไปกันพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าในอดีตก่อนที่ท่านจะเดินไปทางนี้ท่านก็เดินมาทางเดียวกับทางที่พวกเรากำลังเดินอยู่ คือทางที่พาให้เราไปสู่ความเจริญในทางลาบยศสาร ส, รสุขแต่ท่านเป็นคนที่ฉลาดท่านเป็นคนที่สังเกตเป็นสังเกตเห็นว่าทางนี้ไปแล้วมันก็มีแต่ล่มจมถึงแม้จะเจริญนุ่งเรืองถึงขีดสูงสุดจะเป็นมหาจักรพรรดิก็ดีเป็นมหาเศรษฐีเงินแสนล้านล้านล้านก็ดีแต่เมื่อ ร่างกายนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปความเจริญต่างๆที่ได้สร้างไว้ก็หมดไปกับร่างกายเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วจึงไม่ปรารถนาที่จะไปสร้างความเจริญในทางโลกในทางลาบยศรเสริรสุขก็เลยออกแสวงหาทางทางหนึ่งทางที่จะนำมาซึ่งความเจริญทางด้านจิตใจ ทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นทำให้จิตใจเป็นจิตใจที่ดีเป็นจิตใจที่ที่น่าเคารพเลื่อมใสน่ากราบว่าบูชาเพราะเป็นจิตใจที่ปราศ จ, จากความเห็นแก่ตัวปราศ จ, จากความโลภปราศ จ, จากความโกรธนีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่าน ได้รู้ได้เห็นกันแล้วท่านก็เลยหันกลับ ห, หันหลังให้กับทางของความโลภความโกรธความหลงหันหลังให้กับทางของลาบยศสรรเสริญสุขมีเงินมีทองมากน้อยเพียงไรก็สละแจกจ่ายให้ผู้อื่นไปหมดแล้วก็ออกบวชเป็นสัมมณะเป็นนักบวชมีฐานะกษัตริย์ก็มีมีฐานะเป็นเศรษฐีก็มี มีฐานะเป็นข้าราชบริพารก็มีแต่ไม่ปรารถนาที่จะมีสิ่งเหล่านี้ก็ทรงสละไปสละการสรรเสริญสละความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่หาความสุขจากการดูก็ดีฟังก็ดีดื่มก็ดีรับประทานก็ดีหรือนอนน่วมหลับขับนอนกับ กับผู้อื่นก็ดีเพราะเห็นแล้วว่ามันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้เป็นความเจริญที่แท้จริงเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นสิ่งที่มีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าไปหลงยึดติดก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เพราะเวลาที่สิ่งที่เราลักเราชอบเกิดต้องจากเราไปเราก็สูญเราก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้และก็ไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราเรียกว่าเป็นสมบัติถอดกันชมวันนี้เรามีสมบัติพรุ่งนี้สมบัติเหล่านี้ก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปต่อไปเมื่อเราตายไปแล้วนี่คือสิ่งที่ พระอริยจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายสังเกตเห็นจึงหันหลังให้กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็มุ่งไปสู่การที่จะทำให้จิตนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย mm. ก็ทรงเห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายนั้นก็เกิดจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนั่นเองจึงได้ ปยานตัดความโลภความโกรธความหลงและเบื้องต้นก็ตัดทางโลกไปคือลาบยศจะรเริญสุขก็ตัดไปตัดไปแล้วก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่แบบนักบวชแล้วก็ไปต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจการที่เราสละสิ่งต่างๆภายนอกไปหมดแล้ว ไม่ได้หมายความว่าความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจนั้นจะหมดไปเพียงแต่ว่ามันได้ถูกการตัดตอนเรียกว่าทำทเหมืนเหมือนเหมือนกับต้นไม้ถ้าเราตัดกิ่งก้านสาขามันก็จะไม่เจริญงอกงามแต่มันก็จะไม่ตายเพราะมันยังมีต้นยังมีรากอยู่ ถ้าเราต้องการที่จะทำลายต้นไม้นี้ให้มันตายอย่างถาวรเราก็ต้องขุดรากถอนมันถอนรากถอนโคนขึ้นมาต้นไม้ต้นนั้นถึงจะตายได้ความโลภความโกรธความหลงที่เรียกว่ากิเลสทันหานี้ก็เป็นเช่นนั้นเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นตัวที่ฉุดลากใจให้ลงสู่ที่ต่ำเป็นตัวที่ จะพาให้จิตใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยในภพใหญ่ไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้าปรารถนาที่จะไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ไปทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายการพัดพ้าจากสิ่งต่างๆก็ต้องถอนลากถอนโคนของกิเลสตัณหาทั้งหลายให้หมดสิ้นไปการที่จะถอนได้ ก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญบุญบรารมีอย่างที่พวกเรามาบำเพ็ญกันในวันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างกำลังให้กับใจเพื่อที่จะได้มีกำลังถอดถอนกิเลสทัณหาทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจเรามาทำบุญให้ทานเรียกว่าทานบรารมี เรามารักษาศีลศีลห้าอย่างที่ได้ได้สมาทานไปแล้วเมื่อกีนีเรียกว่าเป็นการบําเพ็ญศีลบารมีถ้าเรารักษาศีล8คือแทนที่ศีลข้อสาเราก็เปลี่ยนเป็นอพรมจจริยาคือจะไม่ร่วมหลับนอนกับผู้ใดในวันนี้ศีลแล้วก็แล้วก็รักษาศีลข้อหเพิ่มขึ้นไป จะไม่รับประทานอาหารจากหลังจากเที่ยงวันไปแล้วสี่งก็7ก็คือไม่ใช้เครื่องสำอานต่างๆน้ำหอมก็ดีสบู่หอมก็ดีต่างๆจะอยู่แบบธรรมชาติอาบน้ำก็อาบแบบธรรมดาไม่ต้องอาบน้ำเสร็จก็ไม่ต้องใช้ประพรมน้ำหอมไม่ต้องแต่งหน้าทาปาด เพงแต่ชำระร่างกายให้สะอาดก็พอแล้วใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายไม่ต้องมีสีสันสวยสวยงดงามแต่อย่างใดเพราะต้องการความสวยงามทางจิตใจต้องการความสงบทางจิตใจพะถ้าจิตใจสงบแล้วจิตใจจะเป็นจิตที่สวยงามจิตใจที่สงบจะไม่โลกไม่กล่ไม่หลงจะไม่เห็นแก่ตัวจะไม่ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราจึงต้องพยายามรักษาศีลหกดีหรือศีล8กดีนอกจากการไม่ใช้เครื่องสำางหรือแต่แตงกายด้วยเสื้อผ้าที่สีฉูดฉาดแล้วข้อที่8เราก็จะนอนอย่างง่ายคือไม่นอนบนฟูกนั้นหะนาะจะนอน บนพื้นธรรมดาภูเสือ่อภูผ้าเพราะต้องการพักร่างกายไม่ต้องการหาความสุขจากการหลับนอนเพราะจะเป็นการเสียเวลาต่อการบำเพ็ญบุญบารมีเนื่องจากว่าชีวิตของเรานั้นมีเวลาที่จากัดมีเวลาที่ไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะอยู่ไปถึงอายุเท่าไหร่ถ้าเรามัวแต่มาเสียเวลาอยู่กับการหลับนอนกับการรับประทาน กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่มีเวลาที่มาบำเพ็ญบุญบารมีต่างๆที่จะพาให้ใจของเรานั้นได้ไปสู่แดนแห่งพุทธภูมิก็ดีแดนแห่งพระสาวกภูมิก็ดีหรือแดนแห่งพระอริยภูมิก็ดีเราก็จะหมดเวลาไปกับการหลับการนอนการกิน การหาความสุขต่างๆในโลกนี้พอเวลาที่ร่างกายนี้แตกไปเราก็จะไม่มีบุญบา ร, รมีพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีได้นี่คือการบนนําเพ็ญเนกขมภ์บา ร, รมีคือผู้ที่ศีลถือศีลแป น, นี้เรียกว่าการบนนําเพ็ญเนกขมภบา ร, รมีการไม่การละความ ความสุขทางตาหูจมูกิ้นกายทางกายเหล่านี้เรียกว่าเป็นการออกจากกามมาุขเข้าสู่สันติสุขผู้บำเพ็ญสิ่งแปดนี้จะเน้นไปการดูแลรักษาจิตใจให้สงบให้มีความนิ่งให้ปล่อยวางแล้วก็ให้มีปัญญาให้เจริญอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา อยู่เรื่อยๆสลับกับการทําจิตใจให้สงบด้วยการสวดมนต์ก็ดีด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธก็ดีหรือด้วยการกําหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ดีที่เรียกว่ายุบหนอะพองหนอนี่คือเป็นการสร้างบารมีที่แท้จริงเป็นการสร้างความสุขความเจริญที่แท้จริง สร้างด้วยการบำเพ็ญไ ม, ม, ม่ขมภารมีโดยอาศัยวิริยะบาลมีคือความอุตสาหะภาคเพียรเมื่อถึงวันพระก็ต้องบำเพ็ญให้ได้ไม่ลดละไม่ไม่ไปทำอย่างอื่นพอถึงวันพระก็จะปล่อยภารกิจอย่างอื่นแล้วก็หันมาทำภารกิจ ทางด้านบุญบารมีถ้าไม่มีความอุตสาหะภาคเพียรก็จะมีความเกียจคร้านเข้ามาพอถึงวันพระก็ไม่ตื่นถึงเวลาควรจะมาวัดก็นอนจนสายเพราะขี้เกียจไม่อยากจะตื่นเช้าไม่อยากจะเดินทางมาวัดไม่อยากจะมาเสียเวลากับการฟังเทศฟังธรรมนี่เป็นเรียกว่าเป็นความ เกียครานแต่ถ้ามีความภาคเพียนมีความขยันแล้วก็จะรีบรุกขึ้นมาแต่เช้าเตรียมตัวมาวัดเมื่อมาวัดแล้วก็มาทำกิจที่ตนเองตั้งใจจะทำเช่นมาบูชาพระรัตนตรยัยมาทำบุญตากบางเมื่อเสร็จแล้วก็นั่งรอก็ต้องมีขันติบารมี ต้องเป็นคนที่ใจเย็นมีความอดทนอดกลั้นไม่ลุกลีลุกลนไม่ใจร้อนถ้าไม่มีขันติบา ร, รมีก็จะทนนั่งอยู่ไม่ได้ก็จะหาเรื่องออกไปข้างนอกหาเรื่องกลับไปทําอย่างอื่นต่อไปแต่ถ้ามีขันติบา ร, รมีก็จะนั่งรอจนถึงเวลาที่จะมีการถวายทานมีการสมาทานศีล แล้วก็มีการฟังเทศฟังธรรมต่อไปเมื่อได้ฟังเทศฟังธรรมก็จะได้รับได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่ดีเย่ฟังได้รู้เรื่องที่เราไม่ได้รู้กันเช่นทางสองทางทางของพระพุทธเจ้ากับภาษาวงทั้งหลายกับทางของพวกเรานั้นเป็นคนละทางกันทางของพวกเรานั้นไปสู่ความทุกข์ ทางของพระพุทธเจ้านั้นไปสู่ความสุขเราจะได้ไม่สงสัยว่าทางพระพุทธเจ้านี้มีจริงหรือไม่เพราะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาสั่งสอนและมีผู้รับไปปฏิบัติและพิสูจน์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนแล้วปรากฏเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาเป็นจํานวนมาก บุคคลเหล่านี้เป็นผู้รับรองความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนคือพระธรรมเป็นผู้รับรองว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสู้จริงเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่สงสยัยแต่ถ้าเราไม่ได้มาวัดไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรม มีพระ อ, อริยสงฆ์จริงเพราะเราไม่เคยพบเราไม่เคยเห็นนั่นเองแต่เมื่อเรามาวัดเรามาได้ยินได้ฟังธรรมได้นำเอาไปปฏิบัติจนธรรมนี้ปรากฏขึ้นมาในใจเราก็จะหายสงสัยเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระสงฆ์มีจริงพระธรรมมีจริงเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ผู้ที่เห็นตถาคต ก, ก็คือผู้เห็นธรรมผู้ที่จะเห็นธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระอริยสงฆ์นั่นเองผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาอาาอตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ช้าก็เร็วก็จะบรรลุธรรมจะมีดวงตาเห็นธรรมปรากฏขึ้นมาบรรลุเป็นพระอาริยเจ้าขั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่ขั้นโสดาบันไป จนถึงขั้นพระอาหารหันต์เกิดจากการนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างอย่างอย่างเขามรเขเม่นอย่างขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาหะวิริยะอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้เรากำลังบำเพ็ญที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันอยู่ จะปฏิบัติมากหรือปฏิบัติน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับกำลังของแต่ละท่านเพราะการบำเพ็ญดา a r ร a ธรรมคำสอนนี้ก็เป็นเหมือนกับยกของหนักแต่ละคนก็มีกำลังที่จะยกของหนักไม่เท่ากันบางคนก็ยกได้มากบางคนก็ยกได้น้อยบางคนก็ทำได้เพียงแต่ทำบุญตักบาทถวายสังฆทานยังไม่สามารถรักษาศีลได้บางคนก็ ถอยทานได้แล้วก็รักษาศีลห้าได้บางคนก็รักษาศีลแปได้บางคนก็อยู่วัดปฏิบัติธรรมได้บางคนก็อยู่ตลอดไปเลยก็มีเช่นออกบวชเป็นพระภิกษุบ้างเป็นเป็นแม่ชีบ้างนี่คือการบําเพ็ญบารมีเป็นการเป็นการที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สุปฏิบัณโนเมื่อได้บำเพ็ญไปแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาพอมีดวงตาเห็นธรรมก็แสดงว่าจะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่สงสัยเพราะธรรมะที่ปรากฏขึ้นในใจนี้ก็คือธรรมะที่ปรากฏในใจของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็นำเอามาสั่งสอนพวกเราอีกที ว่าทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะแล้วจะเห็นอย่างนี้จะเห็นอย่างนี้พอเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราก็จะเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะไม่สงสัยว่ามีพระพุทธเจ้ารหรือเปล่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่จริงหรือเปล่า และพระ อ, อริยสงสาวกนั้นมีจริงหรือเปล่าเพราะเรานั่นแหละที่จะได้กลายเป็นพระ อ, อริยสงสาวกขึ้นมาเราเรามีดวงตาเห็นธรรมท่านแรกเราก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันเห็นว่ามีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเช่นร่างกายของเราเห็นว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาเมื่อเห็นด้วยธรรมแล้วจะไม่มีความหวาดกลัว ต่อความตายของร่างกายเพราะผู้เห็นรู้ว่าร่างกายกับผู้เห็นหรือผู้รู้นี้เป็นคนละส่วนกัน uh huh. ผู้รู้นั้นเป็นใจส่วนร่างกายนี้เป็นดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งผู้รู้เห็นอย่างนี้ถึงไม่กลัวตายรับ uh huh. รู้ด้วยว่า ความสุขหรือความทุกข์ของผู้รู้นี้อยู่ที่การกระทาของผู้รู้ก็จะไม่หลงงมงายกับการกระทาที่ไม่มีสาระที่ไม่มีผลต่อจิตใจรู้ว่าสิ่งที่มีผลต่อความทุกข์ความสุขของจิตใจก็คือการทำดีทำชั่วนี้เองไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนนี่คือการเห็นธรรมของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในขั้นแรกจะเห็นอย่างนี้ไม่เห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปและรู้ว่ากรรมนี้แลเป็นที่เป็นเหตุที่จะทำให้สัตว์โลกทั้งหลายเจริญหรือเสื่อมไปสูงหรือไปต่ำไปสุขหรือไปทุกข์อยู่ที่กรรมนี้เท่านั้นเมื่อมีเห็นเมื่อมีดวงตายเห็นธรรมอย่างนี้แล้วก็จะ รู้ว่าการกระทำบาปเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤตผิดประเวณีพูดปดเมื่เทศเศษสุรายาเมาเป็นการกระทำที่เป็นอันตรายต่อชีวิตจิตใจมีแต่โทษอย่างเดียวไม่มีคุณไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่ละเมิดศินนี้อย่างแน่นอนทั้งห้าข้อจะไม่ทำโดยเด็ดขาด นี่คือฐานะของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมจะเป็นอย่างนั้นและเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเมื่อถึงเวลาที่ตายไปและยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ยังไม่ได้สิ้นสุดก็จะไปสู่สุคติจะไม่ไปเกิดในอบายอีกต่อไปเพราะมีแสงสว่างนำทางไปนั่นเองไม่ต้องคลำทางไปถ้าคลำไปก็จะถูกอำนาจของ บาปกรรมนี้พาให้ไปสู่ออบายแต่เมื่อมีดวงตาเห็นธรรมแล้วถึงแม้ยังมีบาปกรรมที่เคยทําไว้จะพยายามผลักดันให้ไปสู่ออบายก็จะไม่ไปเพราะมีเพราะรู้แล้วว่าทางนั้น ไ, ไม่ดีนั่นเองเหมือนกับเราถ้าเราขับรถในยามค่ำคืนถ้าไม่มีแสงไฟ เวลาเรามาถึงทางแยกเราจะไม่รู้ว่าไปทางไหนดีมองไม่เห็นป้ายเราก็จะไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะหลงไปไปทางที่เราไม่ต้องการจะไปได้แต่ถ้าเรามีแสงไฟพอเรามาถึงทางแยกเราก็ใช้ไฟดูป้ายว่าป้ายบอกว่าทางนี้ไปทางไหนทางนั้นไปทางไหนเราก็เลือกไปในทางที่เราต้องการไปได้นี่คือ นี่คือประโยชน์ของการมีแสงแห่งธรรมนำชีวิตจิตใจเมื่อเรามีแสงแห่งธรรมเราจะรู้จักว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรทำให้เราทุกข์อะไรทำให้เราสุขเราก็จะหลีกเลี่ยงการกระทำความชั่วทั้งหลายเราจะทำแต่ความดีเราจะทำเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขเราจะละเหตุที่จะทำให้เราเกิดความทุกข์ เช่เราจะทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมนี่คือเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขเราจะละการหาความสุขทางตาหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่เป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาลเวลาเราได้สัมผัสกับมันใหม่ๆก็มีความสุข แต่พออยู่ไปสักระยะหนึ่งความสุขนั่นก็หายไปจางไปกลายเป็นความทุกข์ตามมาเช่นชีวิตของคนที่มีคู่ครองนี้เวลาแต่งงานกันใหม่ๆก็มีความสุขแต่พออยู่กันไปแล้วความสุขนั่นก็จางหายไปเหลือแต่ความเหลือแต่ความทุกข์ทุกที่เกิดจากการต้องมาทะเลาะกันทุกที่เกิดจากการต้องมาห่วงมาหวงกัน ทุกที่เกิดจากการต้องมาเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้เมื่อคู่ครองของเราเปลี่ยนไปหรือจากเราไปนี่คือความสุขทางโลกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเราจึงผู้ที่มีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นโทษเห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ ก็จะไม่หลงยึดติดไม่หลงแสวงหากับความสุขเหล่านี้แทนที่จะไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงก็ไปวัดไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมไปทําจิตใจให้สงบเพราะนี่คือความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงนี้อยู่ที่การทําจิตใจให้สงบด้วยการบําเพ็ญทานก็ดีศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดี นี่คือเหตุที่จะนำความสุขที่แท้จริงมาให้กับจิตใจเมื่อเรามีดวงตาเห็นธรรมแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขมากขึ้นความทุกข์ก็จะน้อยลงไปตามลำดับจนในที่สุดก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยเพราะเราสามารถกําจัดเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจของเราได้หมดสิ้นไปคือกิเลสตัณหาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลง ก็ดีไม่ว่าจะเป็นความอยากทางตาหูจมูกเมื้องายก็ดีความอยากมีอยากเป็นก็ดีหรือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็ดีความอยากความโลภความโกรธเหล่านี้จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในจิตใจของเราอีกต่อไปเพราะว่าเราได้บำเพ็ญมาอย่างเขมรเข้แน่นอย่างอย่างอย่างอย่า ง, อ ย, างอย่างแข็งขันไม่ท้อแท้ ไม่เกียดครานถึงเวลาเราก็บำเพ็ญและก็บำเพ็ญให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดชีวิตของเรานี้จะมีแต่การบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็จะอยู่ภายในเอื้อมมือจะสามารถบรรลุได้ภายในชาตินี้เลย ดังที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญกันท่านก็บรรลุในชาติสุดท้ายนี้ด้วยการบำเพ็ญอย่างดังสุดกำลังเต็มที่แห่งกำลังแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรดังนั้นขอให้เราจงให้ความสำคัญต่อวันพระต่อวันหยุดการทำงานของเราอย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ ผ่านไปโดยไม่ได้บำเพ็ญบุญบา ร, รมีเพราะเราจะขาดทุนก่อนมาแล้วไม่ได้บาเพ็ญบุญบา ร, รมีนี้เรียกว่าขาดทุนเพราะไม่มีชาติไหนพมไหนที่จะสามารถบาเพ็ญบุญบา ร, รมีได้เท่ากับมนุษย์ <Yeah. S 1> เป็นเดรัจฉานก็บำเพ็ญบุญบา ร, รมีไม่ได้เป็นเทศเป็นพมก็ไม่มีอะไรจะให้บำเพ็ญเพราะอยู่แต่ท่ามกลางความสุขไม่มี ไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครเดือดร้อนมันก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ทำบุญทำทานจึงขอให้เราพยายามเสริมสร้างบุญบารมีอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆและเสริมให้มากยิ่งขึ้นไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วสิ่งที่ดีที่งานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญสุขก็ดีด้วย ด้วยอายุวรณสุขพะพระก็ดีก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องการบำเพ็ญบุญบรารมีในวันพระในวันหยุดในสาวาทิษนี้ให้ท่านได้ น, นำไปประพฤติปฏิบัติต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอ